เพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวถึงต่อไปนี้ว่าฝ่ายเราผู้รับทานครั้นได้รับทานแล้วก็พากาัน ร, รำพึงว่าได้ยินว่าบัดนี้พระราชาเวสันดรเนี่ยจักเสด็จเข้าไปสู่ป่าพวกเราเนี่ยจะได้หมดที่พึ่งจำเดิมแต่นี้พวกเราเนี่ยจักไปหาใครรำพึงชนนี้แล้วก็นอนเกลือกเลิ่งไปมาที่จริงไล่คนที่ทุกข์มากก็คือพวกขอทานนั่นแหละเราจะไปกินที่ไหนแล้วนนี้อย่างี้นะหมดที่กินแล้วกันเถะนะ ก็เดือดร้อนแล้วก็เหมือนกับพวกบริษัทเลิกงานแล้วก็พวกพนักงานทั้งหลายอ้าวสมัครงานที่ไหนเนี่ยหมดเลยคนนี้เพราะฉะนั้นก็บอกว่าร้องให้ประหนึ่งมีเท้าขาดคร่ำครวนมีเสียงอันดังภะษาสดาเมื่อจะประกาศความข้อนั้นจึงตรัสว่าเมื่อพระมหาราชาผู้ผดุงสีพีรัตให้เจริญจะเสด็จออกวันนี้พกเหล่านั้นก็ล้มเกลือกกลิ้งเกลือกไปมาดุจคนเมาหรือว่าคนเหน็ดเหนื่อยฉะนั้นเนี่ยนะก็ ร้องไห้เสีย ใ, ใจกันไปหมดเลยพวกนางกษัตริย์ที่พระเวสสันดรบริจาคไปเนี่ยนะนางกษัตริย์เหล่านั้นนี่ก็กษัตริย์น่ะมารับไปไม่ใช่ว่าให้ไปลเคลา้คลาไปกษัตริย์เมืองอื่นๆหัวเมืองต่า ง, า ง, า ง, างๆก็มารับเอาไปก็บอกว่ามายังไงก็บอกมาด้วยเทวานุภาพเหมือนกันกษัตริย์พราหมณ์แพทยสูตรเป็นต้นได้รับพระราชทานบริจาคพระเวสสันดรแล้วก็หลีกไปด้วยประการชนี้ พระเวสสันดรบริจาคทานอยู่จนจนเย็น่ะนะเพราะว่าโหบริจาคเจ็ดเจ็ดท่าไร7จ7ูณเจโหบริจาคของมากอ่ะนะวันใช้เวลาตั้งแต่เชา้าจนเย็นเลยจึงกับบริจาคเสร็จทีนี้พอบริจาคเสร็จแล้วพระเวสสันดรก็เลยคิดว่าเราจะถวายบังคมลาพ่อลาแม่เนี่ยเนี่ยนะเพราะว่าพรุ่งนี้จะไปแล้ว น, นะก็เลยเสด็จไปที่ประทับของพ่อแม่ด้วยรถพระที่นั่งตกแต่งแล้ว ฝ่ายพนางมัสสีก็คิดว่าเราจะไปโดยเสด็จพระสามีเนี่ยนะนะก็จักอย่างพระสัสุและสั ส, สระให้ทรงอนุญาตเสียคือไปลาพ่อผัวแม่ผัวให้อนุญาตไปกับพระเวสสันดรเนี่ยนะก็เลยไปพร้อมกับพระเวสสันดรฝ่ายพระโพธิสัตว์ถวายบังคมพระราชบิดาแล้วก็กราบทูลความที่พระองค์จะเสด็จไปเนี่ยนะนะก็คือไปลาพ่อซะก่อนว่าพระเวสสันดร น, นี่กราบทูลพระเจ้าสันชัย ผูวรธรรมิกราชว่าเนี่ยนะก็ไปไปลาพ่อนะว่าพระองค์นี้โปรดให้หม่อมชั้นออกจากพระเชตุดรราชธานีหม่อมชั้นจะทูลขอลาเนี่ยไปเขาวงกตชนทั้งหลายเหล่าใดเหล่าหนึ่งมีมาแล้วในอดีตหรือจะมีในอนาคตและเกิดในปัจจุบันเป็นผู้ไม่อิ่มด้วยกามทั้งหลายย่อมไปสู่ยมมาโลกเนี่ยนะก็จะว่าไปตรงๆก็ไปขอลาพ่อไปอยู่เขาใช่ไหม แต่ก็พูดคำอันเป็นสุภาษิตอย่างหนึ่งว่าใครก็ช่างเถอะที่เกิดมาแล้วทั้งในอดีตก็ตามในอนาคตก็ตามปัจจุบันที่เกิดมาก็ตามไม่ทันอิ่มในกามตายหมดเลยเนี่ยนะอันนี้คือคือจากการไหนก็ช่างเป็นอย่างนี้จริงๆอดีตที่เป็นมาแล้วนะยังไม่ทันอิ่มด้วยกามคุณห้ารูปเสียงกลิ่นรสตายซะแล้วอนาคตต่อไปจะมีเท่าไหร่นะยังไม่ทันอิ่มเลยตายแล้วปัจจุบันที่มีอยู่ทั้งหมดพวกที่เกิดมานะ ไม่ทันอิ่มในกามตายแล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นหม่อมชั้นได้บริจาคทานในวังของตนชื่อว่าเบียดเบียนตนและคนอื่นนะจึงต้องนิราชจากแว่นแคว้นของตนโดยความประสงค์ของชาวซีพีเนี่ยนะจริงๆแลแ้วแหมบริจาคทานอย่างไงแหมคนอื่นก็มาว่าเราเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นเลยไล่เราหนีเลยเหมือนกันหม่อมชั้นจกักเสวยความทุกนั้นในป่าที่เกลื่อนกล่นด้วยพาลัมมะึกมีแร่และเสือเหลืองอยู่อาศัยแล้ว หม่อมชันบําเพ็ญบุญทั้งหลายเนี่ยนะหม่อมชันเนี่ยทาบุญนะขอเชิญพระองค์เนี่ยจมอยู่ในเปลือกตมคือกามทั้งหลายเถิดพระเจ้าค่ะว่างั้นขอเน็บพ่อัะหน่อยนะบอกหม่อมชันเนี่ยทาบุญเลยนะพ่อก็จมอยู่ในกามต่อไปกันแล้วกันเนี่ยนะเขาบอกว่าไอ้กามมาคุณห้าเนี่ยนะหรือวัตถุ ก, กามกิเลสกามเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเปลือกตมจริงๆถามว่าทําไมเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยไปคล้องไปติดอยู่ในเปลือกตมแนละ้วคือ จะสังเกตดูสัตว์ที่ไปติดในโครนเนี่ยนะแม้แต่ใครเคยเห็นรถติดโครนบ้างนะก็ฟรีมันก็มุนโอ้ติดเปื้นอนเลอะเทอะอยู่ในนั้นหมดแหละชั้นไหนก็ดีมูสัตว์ที่ติดอยู่ในโครนตรมก็เหมือนกันย่อมลำบากร้องให้คร่ำครวญเนี่ยนะทุกกายทุกใจเลยไม่ได้เจริญกุศลอะไรเลยเพราะมัวแต่ติดมัวแต่คล้องอยู่ในในเปือกตมก็ปะ ก, ก็ปิดก็เปื้อนอยู่นั่นแหละเปื้อนเสร็จแล้วก็อาจมลงไปใหม่ลึกขึ้นมาร้อนก็จมในโครนแล้วก็ดำผุดดำว่ายอยู่ใน ในคโคลนอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญพระองค์จมอยู่ในเปลือกตมคือกามเถิดพระเจ้าค่ะว่างั้นท่านว่าเราด้วยหรือเปล่าเนาะเนี่ยนะก็บอกว่าบทว่าปังกามหิความว่าพระเวสสันดรทูลว่าแต่พระองค์เนี่ยจะจมอยู่ในเปือกตมคือกามพระโพธิสัตว์นี้ทูลกับพระชนกด้วยคาถาสีอย่างนี้แล้วก็เข้าไปหาแม่ก็ทูลขออนุญาตบวชว่าฆ่าแต่เสด็จแม่ ขอพระองค์นี้ทรงอนุญาตแก่ห ม, ม่อมชันหม่อมชันจะขอออกบวชหม่อมชันบริจาคทานในวังของตนชื่อว่าเบียดเบียนตนและคนอื่นหม่อมชันนี่จะออกไปจากแว่นแคว้นของตนโดยประสงค์ตามคําของชาวซีพีหม่อมชันจะเสวยทุกนั้นในป่าที่เกลื่อนกล่นไปด้วยพานมฤตมีแรตและเสือเหลืองอยู่อาศัยแล้วหม่อมชันบําเพ็ญบุญทั้งหลายในเขาวงกฏคือจะขอบวชและไปอยู่เขาวงกฏจะได้บำเพ็ญสมณะธรรมเหมืงนั้นเถอะ นางพุ้สดีก็บอกว่าลูกรักแม่อนุญาตลูกบรรประชาจงสำเร็จแก่ลูกก็แต่แม่มัสสีกาลยานีผู้มีแต่พวกงามเอวบางจงอยู่กับปุตทิดาแม่จะไปทำอะไรในป่าก็คือให้แต่ลูกไปนะแต่ว่าลูกสะพยกับหลานเนี่ยให้อยู่เถอะอย่าไปเลยแบบงั้นพระเวสสันดรก็บอกว่าหม่อมฉันไม่อาจจะพาแม่ทาสีไปอยู่ป่าโดยที่เขาไม่ปรารถนาถ้าเขาปรารถนาจะตามหม่อมฉันไปก็จงไปถ้าไม่ปรารถนาก็จงอยู่ ก็อบอกว่าพาแต่นางธาตุไปก็พาไปไม่ได้นะตอนใครจะอยากไปก็ไปไม่อยากไปก็อยู่กันแล้วกันเหมือนกันก็อธิบายว่าข้าแต่เสด็จแม่เสด็จแม่ตรัสอะไรอย่างนั้นแม่ทาสีหม่อมฉันก็ไม่อาจจะพาไปโดยที่เขาไม่ปรารถนาทีนี้ฝ่ายพระเจ้ากรุงสันชัยพอได้ฟังคําของพระราชโอรสก็เลยคล้อยตามเพื่อวิงวอนลูกสะพ้ายเนี่ยนะว่าลูกสะพ้ายของเราอย่าไปเลยเหมือนกัน ก็เลยกล่าวว่าพระเจ้ากรุงสันชัยคลอยตามเพื่อวิงวอนพระสุนิสาวาแมนะ่แม่ผู้มีสรีระอันประพรมด้วยแก่นจันทร์แม่อย่าได้ทรงธุลีละองและของเประเปื้อนเลยแม่เคยทรงภูษาของชาวกาสีแล้วจะมาทรงผ้าคากรองการอยู่ในป่าเป็นทุกขนะ์แม่ผู้มีลักษณะงามอย่าไปเลยเนี่ยนะพนางมัตสีบุตรตรีผู้งามทั่วสารพรางเนี่ยนะก็กล่าวกับ พระสัสระเนี่ยนะก็คือพ่อผัวว่าหม่อมชั้นไม่ปรารถนาความสุขที่จะต้องพลาดพลาดจากพระเวสสันดรของหม่อมชั้นเนี่ยนะทีนี้ก็เลยกราบเปลี่ยนพระเจ้าสรรชัยอย่างที่กล่าวไปทีนี้พระเจ้าสรรชัยมหาราชผู้ทรงเวน่นแคว้นแห่งชาวซีพีก็ได้ตรัสกับพระนางมัตซีว่าเนี่ยนะขอร้องลูกสะพ้ายนะว่าแม่จงพิจารณาสัตว์เหล่าใดมีอยู่ในป่าที่บุคคลทนได้ยาก อ่ะนะว่าให้คิดให้ดีนะในป่านี่ไม่ใช่อยู่ง่ายๆนะยังมีตะ๊กะแตนบุ่งเหลือบยุงแมลงพึ่งมีมากสัตว์ป่าเราอื่นก็จะเบียดเบียนแม่ในป่านั้นเนี่ยนะความเบียดเบียนนั้นอะ่ะเป็นความทุกข์อย่างยิ่งจะพึ่งมีแกแม่คิดให้ดีนะมีเสือมีม้งหรือเปล่าไปอยู่ในปา่าเดี๋ยวยุงก็กัดเราอ่ะนะอยงคุณตานยเนยว่ามันเชียวเฉียวมาก็คันแล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นจะไปอยู่แล้วมันยุงมันเยอะนะเหมือนกัน แม่จงดูสัตว์เหล่าอื่นที่น่ากลัวที่อาศัยอยู่ในน้ําเนี่ยถ้าลงน้ําก็มีงูชื่อว่างูเหลือมเนี่ยนะมันไม่มีพิษแต่มันมีกําลังมากมันรัดคนหรือรับมรุกที่มาใกล้มันด้วยขอนดให้อยู่ในอํานาจของมันเนี่ยนะอย่างสัตว์เหล่าอื่นแล้วก็ยังมีอย่างอีกนะดำดำเหมือนเส้นผมที่กล้าวชื่อว่าหมีนะ ถ, ถ้านึกไม่ออกนะก็บอกว่าตัวมันดาเหมือนผมเลยนะเหมือนคือหมีเป็นมรุกนาความทุกข์มาให้ คนที่เห็นมันแล้วขึ้นต้นไม้ก็ไม่พ้นมันนะเพราะหมีมันขึ้นต้นไม้เป็นใช่ไหมเดี๋ยวมันจะขึ้นไปตามไปกัดเอาเนี่ยนะฝนะูงกระเบือมักขิดเนี่ยนะนะชนเอาที่เขาเนี่ยมีปลายแหลมเที่ยวไปในป่าริมฝั่งแม่น้ําชื่อว่าโสตุมพระเนี่ยนะนะก็ไปให้ดีนะถ้าไม่ดีเดี๋ยวควายป่ามันขิดเอาซะอีกนะ พระแม่มัสีนี่เป็นเหมือนแม่โคโนมอยากได้ลูกเห็นโคไปตามฝูงมรึกในไพรสนจะทําอย่างไรเนี่ยนะไปเห็นวัวเห็นอะไรเยอะจะทําไงเมื่อแม่มัสีไม่รู้จักเข็ไพรสนภายในป่าใหญ่เนี่ยจะมีแก่แม่เพราะเห็นฝูงลิงหน้ากลัวพิลึกมันลงเนี่ยมาเดินมาเดินในทางที่เดินยากเดี๋ยวไปเจอลิงเข้าหน้าแม่มะสีเนี่ยเคยอยู่ในวังแม่ไปถึงเขาวงกดจะไปทำอย่างไรฝูงสกุลชาติ คือนกเนี่ยจับอยู่ในเวลากลางวันป่าใหญ่ก็จะบรรลือขึ้นแม่จะอยากไปในป่าราไพรนั้นอะ่ะไปทำไมโอ้ยมันทุกข์นะลูกไม่ไปอยู่เลยป่าเขาลำนาวไพรนะห่วงลูกหน้าดูเลยเนาะทีนี้พระนางมัสสีผู้งามทั่วองค์ก็กราบทูลกับพระเจ้าสัรชัยว่าหม่อมชั้นที่ทราบอันตรายเหล่านั้นว่าเป็นภัยเฉพาะหม่อมชั้นในไพรสนแต่ว่าหม่อมชั้นจะสู้ทนภัยทั้งปวงนั้นไป คือจับบันเทาอ่ะนะถึงจะมีภัยเหล่านั้นก็จริงแต่ก็จะขออดทนเหมือนกันแล้วก็จะแหวกต้นเป้งแม่ก็บอกพูดถึงแหมใจใานี่เกินร้อยเหมือนกันนะครจะขอแหวกต้นเป้งการยังไงนะต้นเป้งก็น่าจะเป็นพันพันพวกหญ้าญ้าคมบางอ่ะนะแต่กูเนี่ยสายเนี่ยแล้วก็หญ้าคาหญ้าคมบางแฝกหญ้ามุงกระต่ายและหญ้าปล้องไปด้วยอกเหมือนกันเถอะแหมจ่ายนี่เกินร้อยนะจะขอแหวกปลาหญ้าคาไปด้วยอกเหมือนกันนะ ปกติเนี่ยนะค่เอามือเอาเท้าไปเนี่ยก็บาดพิลึกเกลือแล้วนะเอาอกไปจะไปกันใหญ่แล้วนะแต่ว่าบอกว่าประกาศถึงว่าแหมน้ําใจเนี่ยแรงมากเหมือนกันจักนําเสด็จพระภัสดาไปมิให้ยากเนี่ยเดี๋ยวจะขอเดินนําหน้าสามีไปเองเหมือนันนะใจขนาดนั้นด้วยเสร็จแล้วก็พูดถึงว่าทําไมจึงใจไม่อยากอยู่เนี่ยนะทำไมจึงอยากไปอยู่ป่า ก, กับพระเวสสันดรก็บอกเหตุผลตรงๆว่า กุมารีได้สามีด้วยการประพฤติวัดเป็นอันมากเช่นด้วยตรากตรำท้องมีให้ใหญ่ด้วยวิธีกินอาหารแต่น้อยเนี่ยนะไม่อยากอ้วนไม่อยากลงพุงก็เลยลดอาหารหน้าดูเลยพราะรู้ว่าสตรีมีบั้นเอวกว้างมีสีข้างผายจะได้สามีก็เอาไม้สันฐานเหมือนคางโคเนี่ยค่อยๆทูบบั้นเอวว่างั้นเอาผ้าเนรีดสีข้างทั้งสองจะได้ผึ่งผายออกด้วย ทนผิงไฟแม่ในฤดูร้อนขัดสีกายด้วยน้ำในฤดูหนาวฝั่งนั้นโอ้อยากได้สามีก็ทำใหญ่เลยเพราะฉะนั้นความเป็นไม้เป็นอาการเตรียมตรมในโลกมั่มชั้นจะไปอย่างแน่นอนฝั่งั้นโอ้อยู่เป็นไม้ไม่เอารอกั่งั้นอันหนึ่งบุรุษไม่สมควรอยู่ร่วมกับสตรีไม้ที่เขาทิ้งแล้วบุรุษไรเล่าจะจับมือถือแขนสตรีไม้ที่เขาไม่ต้องการคร่ามาเราบุรุษจิกย่อมผมของสตรีไ ม, ม้มาแล้วก็เอาเท้าเขี่ยให้ล้มลงหน้าพื้น ให้ทุกเป็นอันมากไม่ใช่น้อยแล้วหลีกไปเหล่าบุรุษต้องการสตรีไม้ผู้มีผิวขาวถือตัวว่ารูปงามเลิศให้ซับเล็กน้อยก็ฉุดฆ่าสตรีไม้ผู้ไม่ปรารถนาไปเหมือนกับฝูงกาตอมจิกฆ่านกเขาไปฉะนั้นอีกอย่างหนึ่งสตรีไม้เมื่ออยู่ในสกุล ญ, ญาติอันมั่งคั่งรุ่งเรืองด้วยภาชนะทองคำไม่เพงได้ซึ่งคากล่าวล่วงเกินแต่หมู่พี่น้องและเหล่าสหายว่า หญิงผู้หาผัวไม่ได้นี้ต้องตกหนักแก่พวกเราตลอดชีวิตชนี้ไม่มีเลยเหนันเถอะคล้ายๆกับว่ามันเป็นภาระกับมูญาตนะแม่น้ำไม่มีน้ำก็เปล่าได้แวนแควนไม่มีพระราชาปกครองก็ศูนย์เปล่าสตรีแม้มีพี่น้องตั้งสิบคนถ้าเป็นไม้ก็ศูญย์หายธงนี้เป็นเครื่องปรากฏแห่งราชรสควันเป็นเครื่องปรากฏแห่งไฟพระราชาเป็นเครื่องปรากฏแห่งแวนแควน พสดาเป็นเครื่องปรากฏแห่งสตรีความเป็นไม่เป็นอาการเตรียมตรมในโลกหม่อมชั้นจะต้องอยู่อย่างแ น, น่นอนเนี่ยนะคือจะต้องไปด้วยกับพระเวสสันดร อ, อย่างแน่นอนอันนี้เราก็พูดถึงว่าคู่คู่ที่เขารักกันเขาเป็นอย่างนั้นนะถ้าไม่รักกันเออไปจะได้ก็ดีรีไปเลยไปเช้าไปเย็นน่ยนะไล่ส่งไปอี ก, กนะแต่ี น, นี้พูดนี้แสดงว่าชอบพอกันนะนะคือคือมีอัธยาศัยคล้ายคลึงกันชอบพอกันแต่ถ้าไม่พอกันนั้นไม่ไปเออจะฟ้องอ่ะฟ้องก็จะได้จากกันสักทีห น, นึ่งเหมือนกัน อ น, นี้พูดถึงข้อที่คนที่ก็ชอบชอบกันหน่อยนะทให้ชอบกันแล้วก็ฟ้องเช้าฟ้องเย็นด่าเช้าด่าเย็นเนี่ยจะได้จากสักทีหนึ่งําคานเต็มทีแล้วแบบนั้นทีนี้สตรีใดเข็นใจก็ร่วมทุกข์กับสามีผู้เข็นใจในคราวทุกข์สตรีใดมั่งมีมีเกียรติก็ร่วมสุขด้วยสามีผู้มั่งคั่งในคราวถึงสุขเทวดาและมนุษย์ย่อมสรรเสริญ ส, สตรีนั้นสตรีนั้นทํากรรมที่ทําได้ยากเนี่ยนะก็คือหมายความว่าสุขทุกข์ร่วมกับสามีไป หม่อมชั้นจะนุ่งห่มผ้ากาสายะตามเสด็จพระพัสดาทุกเมื่อความเป็นมาแห่งหญิงผู้มีแผ่นดินไม่แยกก็ไม่เป็นที่ยินดีอีกประการหนึ่งหม่อมชั้นไม่ปรารถนาแผ่นดินที่ทรงไว้ซึ่งทรัพย์เป็นอันมากมีสาคอนเป็นที่สุดเต็มไปด้วยรัตนะต่างๆแต่พรากจากพระเวสสันดรผู้พัสดาเนี่ยนะคือถึงจะมีเป็นใหญ่ขนาดไหนถ้าจากพระเวสสันดรก็ไม่เอามาันสตรีใดเมื่อสามีทุกร้อน ย่อมอยากได้ความสุขเพื่อตนสตรีนั้นใจเด็ดจริงใจของเขาจะเป็นอย่างไรหนอะเหมือนกันหมายความว่าสามีทุกข์แล้วตัวเองก็ไปสแสวงหาความสุขนะแมมสตรีนั้นใจเขาเป็นยังไงที่ จ, จริงก็คํานี้แปลว่าคําตําหนินั่นเองนะแต่ว่าตําหนิแบบคนดีนะเขาจะไม่ไปด่าหร อ, อกแต่ก็บอกแหมโอ้โหใจอะไรจะขนาดนั้นนะเหมือนกันเมื่อพระเวสสันดรมหาราชเจ้าผู้ยังสีพิรัตให้เจริญเสเด็จออกจากพระนคร หม่อมชันจักโดยเสด็จพระองค์เพราะพระองค์เป็นผู้พระราชทานข้าวของที่หม่อมชันต้องการทุกอย่างนะปกติก็เป็นของที่เรียกว่าให้ของที่ชอบใจอยู่แล้วนะให้ข้าวให้ของอยากได้อะไรพระเวสสันดรก็ให้หมดเลยแสดงว่าปกติพระเวสสันดรก็ใจดีมากนะก็ให้ของให้น่นให้นี่เนี่ยนะนั้นผู้การถ้าให้ของคนอื่นไว้เยอะๆเวลาจะไปไหนเาก็ห่วงติดตามไปยากไปเยอะเลยนะ ไม่ให้จะได้ไปสบายๆหน่อยนะมีหน้าหรอพระภิกษุนี้เขาไม่ใช่ว่าเขาจะให้ของข้าวของเรียร่าดนะจะได้ไปสะดวกสะดวกหม่อยปนะมาณในอัตถกถาอธิบายเพิ่มเติมอีก่งในหึงว่าญิงที่มีเกียรติคือหญิงที่ในเวลาสามีผู้ตกยากของตนมีความทุกข์แม้ตนเองก็ยากจนก็ร่วมทุกข์ด้วยในเวลาที่สามีนั้นมั่งคั่งมีความสุขตนเองก็มีความมั่งคั่งมีความสุขกับด้วยสามีนั้นเหมือนกัน แล้วก็อธิบายว่าแม้เทวดาเป็นต้นก็สรรเสริญหญิงนั้นเนี่ยนะทีนี้ฝ่ายพระเจ้าศรีวิราชคือพระเจ้าสันชัยเนี่ยนะได้ตรัสกับพระนางมัสซีผู้งามทั่วองค์นวันแน่แม่มัสซีผู้มีลักษณะงามสรุปว่าเธอไม่อยู่วังนั้นเถอะแต่ว่าบุตรทั้งสองของแม่เหล่านี้คือพ่อชาลีแม่กันหาชินายังเด็กอยู่ จงละเอาไว้ไปแต่ตัวว่า ง, งั้นเราทั้งหลายจะเลี้ยงดูหลานทั้งสองเองว่า ง, งั้นไปแต่พ่อแต่แม่นะยังไงก็เอาลูกไว้ก่อนแล้วกันพระนางมัสีก็บอกว่าข้าแต่พระองค์พ่อชาลีและแม่กันหาชินาทั้งสองนี้เป็นลูกรักของหม่อมฉันลูกทั้งสองนั้นจะยังใจของหม่อมฉันทั้งสองผู้มีชีวิตเศร้าโศกอยู่ในป่าให้รื่นรอนลมใจนะไม่มีเครื่องปลื้มใจอย่างอื่นมีลูกไปอยู่ด้วยก็ยังได้ความสุขเพราะคิดถึงลูกก็ยังดีว่า ง, งั้น ทีนี้พระเจ้าสรรชัยมหาราชก็ได้พูดกับผนางมัสสีว่าเด็กทั้งสองนี้ศพเคยเสวยข้าวสาลีที่ปรุงด้วยเนื้ออันสะอาดเมื่อต้องเสวยผลไม้จะไปทําอย่างไรเนี่ยนะเคยกินแต่อาหารอย่างดีไปอยู่ป่าไปกินอะไรดีมาเดือเนะจะได้สักกี่มือเนอะหรือกล้วยกล้วยป่าด้วยนะมันมีแต่เม็ดเยอะแยะไปหมดเลยไปกินยังไงมันหวานนะแต่ว่ามันมีแต่เม็ดอนะกล้วยป่า ถ้ายิ่งป่าเนี่ยแถวแถวหางดงเนี่ยนกจะไปกินลูกอะไรดีนะจะไปกินอะไรนะหน่อไม้หน่อไม้ต้มจะได้สักสามเมือหรือเปล่าไม่รู้เนาะน้องมาบอกว่าป่านั้นนึกอะไรพอจะกินกินได้สสัต้องไปไปสมาทานแบบเมื่อเดือตกก็กินลูกมันถ้าใบามันร่วมกบ ก, กินใบมันนะถ้าอยู่อย่างนี้ได้ก็แสดงว่าใช้ได้ละ บอว่เาเด็กทั้งสองเนี่ยเคยเสวยในถาทองหนักร้อยปะละเนี่ยนะซึ่งเป็นของประจําราชสกุลเมื่อต้องเสวยในใบไม้อจะไปทํำยังไงเด็กทั้งสองเคยทรงภูษากาสีรัฐเนี่ยนะโคมรัฐและโกทุมพรรัฐเมื่อต้องทรงผ้าคากรองนี่จะไปทํำยังไงเด็กทั้งสองเคยไปด้วยคานหามวอและรถเมื่อต้องเสด็จไปด้วยพระบาทนี่จะทํำยังไงเด็กทั้งสองเนี่ยเคยบรรทมในตําหนัก ยอดไม่มีลมลงลิ่มชิดแล้วเมื่อต้องบรรทมที่โคนไม้จะไปทํำยังไงแย่เลยนะยาเนื่องแต่ทุกมากเลยนะอันนี้ปู่เขาทุกแทนหลานก็เออนี่จะให้หลานไปนอนโคนไม้จะไปอยู่ยังไงวะเนี่ยเด็กทั้งสองเคยบรรทมบนพรมทําด้วยขนแกะที่ลาดไว้อย่างวิจิตบนบัลลังก์เมื่อต้องบรรทมเหนือเครื่องลาดที่ทําด้วยหญ้าเนี่ยจะไปอยู่ยังไง เด็กทั้งสองเคยไล้ด้วยทาด้วยของหอมทั้งกฤษศนาและแก่นจันท์เมื่อต้อ ง, งทรงธุรีละอองและโสโครกเนี่ยจะทํำยังไงเนี่ยนะจะไปอาบน้ําชำระตัวที่ไหนแล้วเนี่ยเด็กทั้งสองเคยมีผู้ทํางานพัดด้วยจามารีและแผนหางนกยุงดํารงอยู่ในความสุขต้องสัมผัสด้วยเหลือบยุงเนี่ยจะไปทํำยังไงเนี่ยนะมุม้งก็ไม่มีคนปัดไล่ยุงให้ก็ไม่มีโอ้ยมแมลงมันกัดมันตอมแย่ออกมาสมัยคือเด็กๆนะไปอยู่ในป่าโอ้ไอตัวตั ว, ต ว, ตวมดอ่ะที่มันดําตัวใหญ่ๆหน่อยนะ เบียกมดอะไรเนะี่ยนะบอว่ามันกัดทั่วตัวหมดเลยนะบางทีกลางวันเราก็นอนในป่าใช่ไหมโยมก็ไปทํางานกันแล้วก็นอนไหมตื่นขึ้นมานี่ยยังมีตุ่มเป็นอะไรเนี่ยนะยังจําได้ถึงทุกวันเนี่ยนะตื่นคือนอนโคนไม้ช่วงบ่ายๆนะมันก็มดมันก็กัดนะนะยังก็ยังจําได้เลยมันก็เป็นอย่างนั้นแหละ <c oughs> <c oughs> เมื่อกษัตริย์เหล่านั้นเจรจากันอยู่อย่างนี้ราตรีก็สว่างดวงอาทิตย์ก็ขึ้น เจ้าพนักงานก็เลยนํารถแต่งรถที่นั่งเนี่ยนะเทียมด้วยมาอาชาในสินทบสี่เชือกมาทาบประตูวังเลยนะเพรว่าได้เวลาออกแล้ววังนั้นเนี่ยนะสายเศร้าใจกันหน่าดูเลยนะคือเขาเขาไม่ได้เชิญไปเที่ยวใช่ไหมอันนี้เขาไล่ให้ไปอยู่ป่าเนี่ยนะแต่ถ้าแบบคิดจะไปป่าเองก็คงไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่นะแต่นี่หมายเขาไล่ให้ไปอยู่ป่าวังนั้นแต่พูดแบบที่จริงแนละ้วอาการตามันก็ไม่ต่างอะไรกันนะ สมมตินนคนอยากไปเที่ยวป่าก็ถูกไล่ให้ไปอยู่ป่านะอโดยกิริยาไม่ต่างกันแต่ความรู้สึกมันต่างกันเนี่ยนะทีนี้พอรถมาถึงพระโพ ธ, ธิสัตว์พระนางมาสัสสีถวายบังคมพ่อผัวแม่ผัวเสร็จก็ลาสตรีทั้งหลายพาชาลีกันหาชินาก็พาลูกทั้งสองนี่ไปขึ้นบนรถรอ พ, พระเวสสันดรเลยเนี่ยนะเสร็จแล้วก็ได้กราบทูลพระเจ้าสันชัยว่าข้าแต่เทพพระเจ้า ขอพระองค์อย่าทรงคร่ำครวญเลยอย่าทรงเสียใจเลยหม่อมชันทั้งสองยังมีชีวิตเพียงใดทารกทั้งสองก็จะมีความสุขอยู่เพียงนั้นเนี่ยนะพระนางมัตสีผู้งามทั่วองค์คันกราบทูลอย่างนี้แล้วก็หลีกไปเนี่ยนะพระนางผู้สุทรงสุภลักษ์พาพระโอรสธิดาเสด็จไปตามทางที่พระเจ้าศรีวิราชเสด็จลําดับนั้นพระเวสสันดรบร ม, มกษัตริย์บำเพ็ญทานแล้วถวายบังคมพระชนกชนนีกระทําประทักษิณแล้วขึ้นรถ ที่นั่งเทียมม้าสินทบสี่ตัวแล้วก็วิ่งพาโอรสราชชิดิา ม, มเหสีเนี่ยไปสู่เขาวงกดเนี่ยนะวิ่งนั่งรถม้าไปเหาะๆๆไปแต่นั้นพระเวสสันดรนี้ก็เวลาที่ไปขึ้นรถเนี่ยนะก็มีมหาชนมาคอยเฝ้าก็พระองค์ก็ตรัสว่าเราทั้งสี่ขอลาลวนะขอท่านทั้งหลายผู้เป็นญาติจงปราศจากโรคเถิดเนี่ยจะมองทุกคนเป็นญาติหมดเลยขออย่าได้มีโรคนะ นะขอเราจะขอลาไปแล้วนะขอญาติทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่มีโรคว่า ง, งั้นเถอะท่านทั้งหลายเราไปนะขอท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มีความสุขปราศจากความทุกข์เถิดเนี่ยนะก็ให้พร อ, อวชยชัยให้พร ใ, ใ, ให้มีความสุขมีอายุยืนก่อนจะไปนะน anytime, ะไเนี่ยนะไม่ได้ร้องห่มร้องไห้อะไรหรอกเนี่ยนะก็อวชยชัยให้พรให้เขามีความสุขทุกคนเพราะว่าเมื่อเราไปแล้วท่านทั้งหลายจะได้มีความสุขเราก็ควรจะไปนั่นนะคือคือโดยปกติก็อยากให้สัตว์มีความสุขอยู่แล้วนะ ถ้าคิดว่าเราไปแล้วสัตว์มีความสุขก็ควรจะไปเนี่ยนะมันก็ไม่ได้คิดอะไรทีนี้พอพระโพธิสัตว์ให้โอวาสแก่เขาเหล่านั้นว่าท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาทบำเพ็ญกุศลนะบำเพ็ญบุญมีทานเป็นต้นว่าอย่างนี้แล้วก็ไปนะยังแนะนำให้ทําบุญต่อไปอีกนะพนางผู้เสด็ผู้รา ช, ชามารดาพระโพธิสัตว์นี่ก็คิดนะนะแม่ก็คิดเอลูกเราชอบอะไร เสร็จแล้วก็คิดว่าลูกของเรานีน้อมไปในทางจงบำเพ็ญทานก็เลยส่งเกวียนเนี่ยเต็มไปด้วยรัตนาเ็เนี่ยนะเอาเกวยนมาคันหนึ่งขนแก้วแวนเงินทองใสเกวียนมาให้เต็มเกวียนเลยแล้วก็เลยอาพรเครื่องประดับให้ให้ทับไปสองข้างเลยนะสองข้างรถอะฝ่ายพระเวสสันดรก็เปลื้องเครื่องประดับที่มีอยู่ในกายพระราชทานแก่ยาจกวันนี้พกถึง18ครั้งเพราะฉะนั้นของที่มีอยู่เหลืออยู่ก็หมดเกลี้ยงเลยนะ ก็เดินไปไอคนขอก็ตามขอจริงๆนะขนาดถูกไล่หนีนะทำไมจะคิดว่าให้เขาเหลือติดไม้ติดมือไปบ้างก็ไม่เมียขออย่างเดียวทั้งหลายผู้ขอเนี่ยนะขอหมดอ่ะนะเพราะฉะนั้นติดตามขออย่างเดียวนะมีก็ให้ให้ให้ใหไปเรื่อยจนเหลือแต่ว่ารถอยู่คันเดียวนะมีรถมีลูกมีแล้วก็ขับรถมาไปเรื่อย <S <S <S ทีนี้พระองค์ก็เสด็จจากพระนครทีนี้ก็เออพอออกมาก็อยากจะหันดูเมืองเป็นครั้งสุดท้ายเนี่ยนะ พอคิดอย่างนั้นแผ่นดินเท่าประมาณที่รถก็ล้อหมุนเป็นเหมือนกับจักรของช่างหมอทําให้รถพรที่นั่งนี่หันหน้าหันกลับมาดูเมืองอเชตุดรทันทีบอกว่าตรงนั้นก็แผ่นดินไหวครั้งที่สามก็คืออันนี้นะหมายถึงครั้งนี้นะรวมๆเบ็ดเสร็จก็ถือไหวครั้งเดียวกันพระเวสสันดร อ, ออกจากพระนครเลี้ยวกลับมาทอดพระเนตรแม้ในการนั้นแผ่นดินอันมีขุนเขาสิเนรุและหมู่ไม้เป็นเครื่องประดับก็กมปนาดหวั่นไหว เมื่อพระเวสสันดรทอดพระเนตรแล้วก็ตรัตคาถาบอกกับพระนางมัตสีว่าแน่พระนองมัตสีเชิญเธอทอดพระเนตรนั่นพระราชนิเวศของพระเจ้าศีวิราชผู้ประเสริฐนั่นวังของฉันซึ่งพระราชบิดาประทานย่อมปรากฏเหมือนภาพที่น่ารื่นรมทีเดียวอนนะมองเออมันก็ดูดีนะดูสวยดีแต่ไม่ได้เสียใจอะไรนะแต่ว่าเออก็มองดูภาพดี ครั้งนั้นพระเวสสันดรมหาสักเนี่ยนะยังอํามาตหกห 0,000 ผู้สหาชาติได้ชนเราอื่นให้กลับแนละ้วก็ขับรถไปกับพานางมัศีเนี่ยนะแล้วก็สั่งพานางมัศีว่านเะนี่ยพน้องผู้เจริญถ้ายาจกมาข้างหลังแม่พึงคอยดูเอาไว้นะดูข้างหลังเอาไว้นะเดี๋ยวมีคนมาขออีกรีบบอกเนะอย่างนั้นนี่นนะก็ขับรถไปพานางก็ทอดพระเนตรดูอยู่อีกพักเดียวก็มีพราหมณ์สีคนติดตามมาคือคื อ, คอไอ้สัสดกมหาทานก็จะมารับเหมือนกันมาไม่ทันอ่ะนะ พรหมสี่คนมาไม่ทันไอสัตสดกหมาทานเนี่ยก็เลยติดตามพระเวสสันดรคือเขาไปถามก่อนว่าพระเวสสันดรไปไหนก็บอกว่าพระองค์บริจาคแล้วก็ถามว่าพระองค์เนี่ยเอาอะไรไปบ้างก็บอกว่านี่พระก็ขับรถม้าไปอ่ะนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปของม้าสีเชือกกันแล้วกันก็ติดตามไปนะทีนี้พอติดตามไปพระนางมัตสีก็เห็นเห็นพรามทั้งสี่คนมาก็บอกพระเวสสันดรว่า ค่ะแต่สมมุติีเทพยาจกทั้งหลายกําลังมาพระโพธิสัตว์ก็หยุดรถทันทีเลยนะเบรกรถเตียบเลยพราหมณ์ทั้งสีคนเหล่านั้นก็มาทูลขอมาที่เทียมรถนะนะพระโพธิสัตว์ก็คือพราหมณ์มาขอมา้าพระองค์ก็พระราชทานม้าทั้งสี่ตัวเนี่ยแก่แก่พราหมณ์เลยนะเมื่อพระเวสสันดรพระราชทานม้าสีตัวไปงอนรถพระที่นั่งก็ตั้งอยู่ในอากาศนั่นเองนะห ปกติแล้วไอ้แบบเหมือนเกวียนอ่ ะ, นะมันควรจะตกใช่ไหมแต่นี้ไม่ตกเพราะอะไรเพราะว่าเทวบุตรสี่องค์เนี่ยจำแรงกายเป็นลมั่งทองมารองรับรถแล้วก็ลากรถต่อไปให้เนี่ยนะทีนี้พระเวสสันดรก็บอกว่านี่พนองมัสสีเธอจงดูทอดพระเนตรมฤตสีตัวที่มีเพศเป็นลมั่งเหมือนม้าที่ฝึกดีแล้วนําเราไปย่อมปรากฏเป็นภาพที่งดงามทีเดียว ไม่ได้คิดถึงมาที่มันหายไปนะเออดูเ อ, เอลมั่งนี่ก็ดูงามดีเหมือนกันเนาะก็ไปเรื่อยอีกไม่ได้เสียใจอะไรเลยนะที่ให้ทานเนี่ยครั้งนั้นก็มีพรามอีกเจ้าหนึ่งมาเนี่ยนะกับโปล ก, กับเพลกตามมาหลังอีกมาอีกคนหนึ่งนะทีนี้ก็เข้ามาทําอะไรบอกมาขอรถไ <c oughs> อ้รถนี่ก็ลมัง่งเทวดามาลากไปแล้วนะมันก็มาขอรถอีกคือมองไม่เห็นแล้ะไม่เห็นสัตว์แล้วใช่ไหมเห็นแต่รถอนะก็เหลือแต่รถขอรถไปก็แล้วกัน พระโพธิสัตว์ก็เลยบอกให้โอรสธิดาพระราชเทวีลงแล้วก็พระราชทานรถให้แก่พราหมเมื่อพระโพธิสัตว์เนี่ยพระราชทานรถที่นั่งแล้วเทวบุตรก็อันตรธานหายไปซึ่งได้อธิบายว่าพราหมณ์นั้นน่ะนับเป็นที่ห้ามะทูลขอรถพระที่นั่งพระโพธิสัตว์ในป่าพระองค์ก็พระราชทานรถนั้นให้แก่พราหม์นั้น และพระอรุอไทยก็ไม่ได้ย่อหย่อนอะไรเลยคือไม่ได้รู้สึกว่าโทรมนัดแม้แต่หน่อยเดียววะนะที่ที่หมดหมดหมดหม ด, หมดไปเรื่อยจนชวนลูกชวนหลานเดินกันไปเนี่ยก็ไม่ได้ทุกข์ร้อนอะไรต่อจากนั้นพระราชาเวสันดรก็ยังคนของพระองค์ให้เสด็จลงจากรถยินดีมอบรถม้าให้แก่พราหมณ์ผู้สแสวงหาทรัพย์ก็เยาว่าการเสียสละแบบนี้เป็นของธรรมดาธรรมดาเลย พอพระ อ, องค์เป็นพระพุทธเจ้านะต้องจากสวิมุตติสุขที่สงบเป็นอย่างยิ่งมาเพื่อสงเคราะห์สรรพสัตว์นะพระ อ, องค์ยังจากได้ถ้าไม่ไม่ยินดีในทานมามาขนาดนี้นะสัตว์ทั้งหลายผู้ที่ได้โดยเฉพาะผู้ที่ได้สมาบัติเป็นต้นเนี่ยนะก็จะขวนขวายน้อยที่จะที่จะแนะนําผู้อื่นแต่พระ อ, องค์เนี่ยสละจากไอเกรกวันเนกคัมมาสุขสุขอย่างอื่นเนี่ยนะเพื่อที่จะไปไปตรากตามเพื่อที่จะสอนสรรพสัตว์เนี่ยสละได้ขนาดนั้นเนี่ยนะตรงนี้เราก็จะได้เห็นคุณของพระ อ, องค์ว่า ออพระ อ, องค์นี่มีไอ้น้ำใจความเสียสละสุขของตนเนี่ยนะไม่ใช่แต่เฉพาะเป็นพระพุทธเจ้าพระ อ, องค์เคยบำเพ็ญอัธยาสัยแบบนั้นแบบนั้นมาในอดีตเลยอ ย, อยู่แล้วทีนี้กษัตริย์ทั้งสี่ก็เดินด้วยพระบาทเดินไปแ็จแล้วพระเวสสันดรก็บอกพานางมัศีวันเนี่ยพน้องมัศีแม่จงอุ้มกันหาชีนานะเพราะเธอเนี่ยเป็นคนน้องเบาส่วนพี่เนี่ย จากอุ้มพ่อชาลีเนี่ยนะเธอเป็นพี่หนักก็เลยแบ่งกันอุ้มลูกคนละคนกันเลยคันนี้พอตรัสอย่างนี้กษัตริย์ทั้งสองเนี่ยก็อุ้มโอรสอุ้มทิดาไปเนี่ยนะพระราชาเวสันดร อ, อุ้มพระชาลีพระมัตสีก็อุ้มพระกุมารีกันหาชินาต่างก็บันเทิงพูดปิยะวาจาหมายความว่าพูดถึงกันด้วยกั น, กนและด้วยคําอันเป็นที่รักกันและกันก็เดินทางไปต่ออันนี้เขาเรียกว่าทานกาันเห็นไหมทานกันก็จบเนี่ยน ะ, ะเราว่าไปได้ สการนั่นนะการแรกก็ทศพรใช่ไหมพรสิประการของพนางผู้สูดีที่รับจักเท้าสักกะเนี่ยนะการที่2ก็คือหิมวันตะกันหรือหิมพานกันเนี่ยนะการว่าด้วยพนางมัสีเนี่ยนะกล่าวถึงป่าหิมพานส่วนกันที่3ก็คือทานกันกันว่าด้วยการให้ทานเนี่ยนะก็คือให้สัตตสัตตานี่แปลว่าเจ็ สัตกาก็คือแปลว่าร้อยนี่นะคือเจ็ดร้อยก็คือเจ็ดร้อยเจ็ดครั้งนั่นเองเนี่ยนะ